พึงพากันตั้งใจตั้งใจไว้ภายในมีสติกำกับไว้ไม่เช่นนั้นแล้วจิตไม่อยู่มันจะพุ่งไปทางนอกการปล่อยจิตให้พุ่งไปข้างนอกมันทำให้จิตอ่อนแอ มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็ชอบจะวันไว้ไปตามเพราะฉะนั้นอ่ะพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงไว้ในบทพระธรรมคุณอะ น, นโอปะณีิโกพระธรรมของพระวิภาคเก่าควรน้อมเข้ามาภายใน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 ขึ้นในใจมากมายกิเลสมันกระป่วนปั่นจิตใจให้วุ่นวายเดือดร้อนกิเลสนี้มันหาความสงบไม่ได้ซึ่งกรงกันข้ามกับความไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้จิตใจในี้สงบ หายกังวลต่างๆอันกิเลสนั้นมีแต่ทำใจให้วุ่นวายฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนี่มันกลงกันข้ามอย่างนี้ทีนี้ความสุขที่แท้จริงที่บุคคลจะเป็นสุขยั่งยืนเสือไปนั้นได้แก่ความสุขเกิด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 เห็นแจ้งในทางฐานทางหลายตามเป็นจริงแล้วจริงได้ปล่อยวางจิตจึงสงบลงขั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นสุขมากเพราะมันได้พิจารณาเห็นรอบครอบแล้วมันไม่กังวลแล้วปล่อยวางแล้วในจิตมันถึงรวมลง ชนิดที่ไปเพ่งข่มไว้เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นสุขแต่เวลาจิตสงบอยู่เท่านั้นขั้นเมื่อเวลากิเลสมันโกรใจเข้าก็สู้อานากกิเลสไม่ได้จิตใจก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเหมือนเดิมดังนั้นพี่นาดูจิตใจของตัวเองทุกคนว่ามันเป็นอย่างไรอย่างที่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 คำว่าจิตไม่อยู่แล้วนะหมายความว่าจิตส่งกระแสของตัวเองเที่ยวเล่นล่อนไปหาอารมณ์ต่างๆภายนอกกระแสจิตหรือ ว, ว่าเจต ส, สิกต่างหากที่เลื่อนลอยไปแต่ดวงจิตแท้ๆเราไม่ได้ล่อนเลื่อนลอยไปไหนอยู่ที่เดิม อาศัยกระแสของตนต่างหากมันพุ่งไปตามอารมณ์ต่างๆเหมือนไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าอย่างนี้เนละเวลาต้องการแสงมันสว่างมันพอไปกดสวิตช์เท่านั้นไฟจะวิ่งเข้าหลอดเลยเกิดแสงสว่างขึ้นก็จะมองเห็นอะไรต่ออะไรชัดเจน อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเราทำใจให้สงบแล้วต้องการอยากรู้สิ่งใดก็นึกคิดขึ้นมาความรู้อะไรมันก็เจมกระจ่างขึ้นอย่างนี้นะเช่นอยากรู้จักทุกคำว่าทุกนี่ย่อมปาร ก, กันอยู่ทั่วโลก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 เกิดขึ้นในจิตใจนี่ปั่นจิตให้วุ่นวหพุ่งร่างเลื่อนลอยไปเมื่อระงับกิเลสไม่ได้ก็เป็นทุกข์้ายนี่แหละทุกข์ใจนะทุกข์ใจเพราะละ ก, กิเลสไม่ได้สะสมกิเลสขึ้นในใจมันสะสมความโลภขึ้นมา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 เข้าไปทันทีถ้าได้เผชิญหน้ากันยิ่งไปใหญ่กว่านี้ในทะเลาะกันทุกกันตีกันก็มียิงกันตายก็มีนี่แหละความโกรธนี่เป็นโทษอย่างร้ายแรงทำให้ทุกข์ใจร้ายเป็นเนตได้ทำบาปเมียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เพราะความโลภความโกรธนี่นหะเป็นมูลเหตุ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 ความโกรธมันก็ถอยออกไปจากรวงกิจนี้และความเคารพในศีลด้วยมันจะด่าผู้อื่นก็กลัวศีนจะเศร้ามองศีนจะขาดจะไปทุบไปตีคนอื่นก็กลัวศีนมันจะขาดเมื่อมันนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยอมทําบาปเลย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 ก็ไปเป็นทุกข์อยู่ในโลกหน้านั่นแหละเพราะว่าจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่หลายดวงอะไรานังนั้นคำว่าทุกข์ใจนำ้ำตัอย่างนี้แหละพรรณนาไปแล้วมันมากมายเหลือเกินนะแต่เท่านี้ก็คงจะพอได้เข้าใจได้แล้วว่าความทุกข์ใจมันเป็นอย่างไรมาจากอะไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่เพ่งเล็งแล้ววันนี้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 บางคนนะ น, นะเกิดมาแล้วไม่ใชาเลยมีศัตรูแล้วนะมีศัตรูคอยเบียดเบียนแล้วอย่างนี้แหละเป็นทางนี้ก็เพราะอะไรอะ่ะก็เพราะตนได้ผูกใจเจ็บกับคนอื่นมาแต่ก่อนโน่นไม่เพียนละเพียนถอนมันกิเลสนั้นมันเลยติดตามมากรร ม, มวิบากเรานั้นนะ พอเกิดมาชาตินี้กรรมวิเลสแต่นั้นจึงโดนบันดาลให้ทะเลาะวิวาดกับใครต่อใครดะไปใครทำอะไรขวางหน้าไม่ได้เลยมีถ้าโกรธทางนั้นอดไม่ไหวทนไม่ไหวเพรอย่างนี้แล้วจะไม่ให้มันเป็นทุกข์ได้อย่างไรบ้างนี่นะ นี่แหะพระธีติสานียว่าทุกใจทุกเพราะสะตัวเองอสร้างกิเลสขึ้นเขาตนเองให้เดือดร้อนไม่มีใครเข้ามาทําให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนนะถ้าคนอื่นทําให้ก็แสดงว่ามันมีสาเหตุเนื่องกันกับตนเนี่ยทุกคนต้องพี่นะมันเห็นถ้าไม่มีสาเหตุใดหนึ่งมาเนื่องกันมานี่ คนเราจะไม่เบียดเบียนกันเลยเป็นอย่างนั้นเราถ้าไม่มีเหตุดีเกี่ยวพันกันมาคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็จะไม่เป็นมิตรเป็นสหายกันได้ไม่เป็นญาติพี่น้องกันได้เลยกันนี่เพราะเหตุว่าชาตอก่อนโนะ้นผู้นั้นได้ทําความดีร่วมกันมา ได้สังคมกันในทางที่ดีมายินดีในความประพฤติดีของกันและกันพราะเกิดมาชาตินี้มันก็บุญก็บันดาลให้พบกันอีกให้เลื่อมใสต่อกันและกันชักชวนกันทำความดีวบบนี้นี่แหละที่ว่าเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ใช่มันมีแต่ชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นมันมีมาแต่ชาติหนนหลังนูน่นมันติดสอยห้อยตามมามันมาโดนบรรดานให้จิตวันไหวไปมาต่างๆโมนี่ดังนั้นเนี่ยเราต้องสาวหาต้นเหตุแห่งทุกข์ให้ครบทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันเมื่อเราพบแล้ว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 จิตได้ให้มันเข้าถึงความสงบเมื่อจิตสงบแล้วปัญญามันเกิดปัญญาเกิดแล้วก็มองเห็นความทุกข์ในขันธวิบากอันนี้มันทุกข์เพราะเหตุว่ามันมีชาติความเกิดอยู่พอเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ได้มันก็จเจริญขึ้นไปสุดขีดของมันแล้ว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 และบุคคลผู้ได้รับลิธิเดชของกิเลสอย่างว่านั้นก็ไม่รู้เท่าก็เดือดร้อนนะครวนครางจิตก็แปรปรวนไปต่างๆนานายับยังกิดไว้ไม่ได้ทำให้คนเรานั้นนะทำความชั่วได้ตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงเลย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 เป็นธาตุไปสู่ทุกข์ก็จึงหายอยากไปเมื่อรู้ว่าเป็นธาตไปสู่ทุกข์แล้วนี่เมไม่เพ่งเล็งไปเมื่อไม่เพ่งเล็งไปแล้วความโลภมันก็หายไปมันก็ไม่เกิดขึ้นความโกรธก็เหมือนกั น, ก, ก, น, ก, น ก, ก็จิตนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมามันถึงมีตัวเองสร้างกิเลส ข, ขึ้นเผาใจ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 รู้สึกตัวแล้วก็อุบายปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปต่ความโกรธนี้เป็นทานแห่งความทุกข์แน่นอนก็โกรธมาแล้วมันขาดเมตตาอินดูสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นฆ่าได้ตีได้ด่าได้อะไรทออะไรพวกนี้สุดแล้วแต่มันได้โอกาส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 มาพูดให้ฟังก็เอ๊เห็นว่าคำพูดของบุญนี่มันเหมเาะว่องไวดีฉลาดเฉลียวดีเห็นจะเป็นความจริงความคิดความเห็นอันนี้นะเห็นเห็นว่าคนบุญนี่มีปัญญาดีากะหลงเชื่อไปเชื่อไปในทางที่ผิดอย่างนี้นะาทางผิดทางอะไรเอาทางผิดก็ ก็เห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปปฏิเสธไปหมดนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีพระนิพพานก็ไม่มีอย่างนี้นะ่ะท่านเดียวว่าเห็นผิดผู้ที่เห็นผิดไม่ดิงถึงขนาดนี้ก็เห็นว่าตนจะเป็นสุขได้ ตนจะเป็นทุกข์ได้ก็เพราะสิ่งภายนอกมาโดนบันดาลให้เป็นไปอย่างนี้แหละเหตุนั้นคนึงได้ทำการเส้นการบวงสรวงบูชาโดยดอกไมุ้กเทียนบ้างด้วยสัตว์ตา่างๆบ้างด้วยเนื้อสัตว์นั่นแหละอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถื อ, อามาช่วยตน ให้พ้นทุกพ้นภัยพ้นความขัดข้องต่งตางๆในโลกนี้อันนี้เดีออวเป็นความเป็นผิดอย่างอ่อนอยู่อย่างแกก็อย่างว่ามาแล้วน่เนีย่ยสงบลงไปแล้วอย่างนี้มันก็จะมองเห็นได้จะมองเห็นว่า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 เมื่อสวรรค์มีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วโลกหน้านั่นก็มีถ้าไม่มีอยู่ในจิตใจนี้แล้วโลกหน้าก็ไม่มีสวรรค์เอ่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนะี่ยขอให้พากันพรีนิพพิจารณาให้รู้ให้เห็นทําลายความหลงความเข้าใจผิดจากคําสอนของพระเจ้าให้หมดสิ้นไปให้ปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งในอริยสัจธรรม คือรู้เท่าทุกข์ตามธรรมดาแล้วก็ละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปเรื่อยๆละที่จิตใจนี่เองเมื่อตัณหาความอยากมันดับไปก็รู้ว่าอ๋อทุกข์มันดับไปเพราะดับเพราะละตัณหานี้ภาคเพียรไม่ยามอยู่ไม่ท้อไม่ถอยความภาคเพียร น, นี่แหละเป็นทางดำเนินเป็นมัคคปฏิปทา เป็นก็ปฏิบัติให้ถึงความดับดับทุกข์ดังแสดงมา